ชอบเผอไปทำต่อครับเออเขารู้ทันว่าเผอไปทำไม่ได้เหมือนกับเวลาดูเสร็จล้วต้องเอาป้ายไปแขวนออแเรก็รู้ว่ามันเป็ดตุ่มแต่ก็ย้ายกระโหมมาสองคนได้ไม่ได้กินใหญ่อวันนี้ไม่มีอาหารละแล้วนํำ เป็นไงไหมเป็นยังไงไหมเริ่มทำยังยังมีบ้าง <c oughs> ครับผอไม่ได้ทําอะไรเลยผอจะลืมคิดเรื่องการปฏิบัติก็เผื่ไว้กับโลกนี่มันสุดตรงสองฝั่งเวลาเราไม่ได้คิดจะทํำนะก็หลุดไปเลยครับพอเราคิดจะทําำก็แน่นขึ้นมาเลยกับข้างสองฝั่งห <c oughs> ลงไปสองข้างการปฏิบัติจริงๆเราทาความเข้าใจเส้นเลย ปฏิบัติไม่ต้องทอะไรเมื่อ้งเล่าให้คุณสัตฟังว่าจริงๆเราปฏิบัติทำถ้าเราดูเป้าหมายเป้าหมายอยากปฏิบัติทำว่าเราเห็นทำอสดาบันที่เห็นทำมันเห็นอะไรจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเห็นอย่างนี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดและดับได้คืออะไร คือกายกับใจี่รูปกันนานถ้าโสตญาณจะเห็นว่ารูปนามหรือขันห้ามเกิดตับบังคับแบบนี้ได้เห็ น, น, น, หนขั น, น, นห้ามไม่ใช่ตัวเราถ้าโสตญาณเห็นตันี้สักยัติฐิีก็ขาดเพระฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าบอกว่าปฏิบัติมุ่งไปสูก่การละสักยัติฐิีก่อนอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องละกิเลสก่อน บางคนจะละราคะยังไงจะละโกศนี้ไงไม่ใช่เรื่องเดียวพูดละราคาโก์ไม่ใช่เวลาเพรานั้นไว้ให้คนจะเดินถนัดข า, า้องคุยกันพเราละสกายยติทีได้อย่างนี้สกายยติทีมันเป็นความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจในตัวเราถ้าจะละความเห็นผิดได้ก็ต้องเห็นถูกว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเรา หเห็นถูกไดไ้เห็นถูกก็โดยการตามรู้มนัน ร, รู้ไปซื่อๆรู้ไปง่ายๆว่าร่างกายจิตใจนีนเป็นตัวเราไหมคําว่าเป็นตัวเราไหมคือบังคับได้เลยถ้าบังคับได้ก็เรียกว่าเป็นอสังตัวตนบังคับไม่ได้กไม่ใช่ตัวเราเป็นานานตธารให้เราตา่างรู้กายตา่างรู้ใจไปเรื่อยๆรู้สบายๆทุกคนรู้ได้อยู่แลัวอย่างเรานั่งอยู่เรารู้ว่านั่ง ยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้สึกได้มหมอยา่างก้มจางเงยรู้สึกได้ทุกคนอยู่แลยให้เรารู้ไป่ายๆรู้สบายสบๆเราก็จะเห็นเออร่างกายบังคับไม่ได้นะมันกะดูกกระติกตลอดก็บังคับให้มันอยู่นิ่งแล้วมันทุกข์มันเก็บเรียนนเป็นทุกข์อย่างมันหายใจเข้าแล้วมันก็ต้องหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้มันทุกข์เดี๋ยวทุกตายเลยหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้า ออกอย่างเดียวไม่ได้ร่างกายบังคับไม่ได้เรารู้แปกกายเป็นของที่บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็หิวบังคับไม่ให้หิวไม่ได้เดี๋ยวก็นาวเดี๋ยวก็ร้อนเด๋ยวยังงั้นดีไยวยังงี้ต่ำรู้กายการ ย, ยังป็นรัชนานี่จิตใจนะจิตใจก็เป็นของน่ายใครๆก็รู้ได้เราชอบคิดเราเองว่าดูจิตยากถามว่าโกรธเป็นไหมก็เป็นใช่ไหม รักเป็นไหมโลคเป็นไหมมีความใครีเป็นไหมเป็นทุกอย่างกลัวเป็นไหมกังวลเป็นก็เป็นมีความสุขรู้จักไหมความสุขความทุกข์ทุกคนรู้จักหน้าที่ของเราว่าคือคอยตามรู้ไปจิตใจมีความสุขรู้ว่ามันสุขทุกข์รู้ว่ามันทุกข์พุ่งสร้างรู้ว่าพุ่งสั้าสงบรู้ว่าสงบตามรู้ไปมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงอย่าไปเจ้าะมันก่อน พวกเรา น, นปฏิบัติชับเจ้าไว้ก่อนนั่คือปัญหาของใหม่ที่แคเกิดพนาเอคิดถึงปฏิบัติเจ้องรอดูใช่ไหมเมื่อไระอะไรจะเกิดรอดูไม่ใช่ตามรู้ตามรู้ก็คือให้มันเกิดไปแล้วก็ตามรู้มันไปเมื่อไปยักหน้าเมื่อเราไม่ได้เจตนานจะคอยดูมันนะมันไมปยักหน้าแล้วเรารู้สึกอยู่ว่ากําลังไปยักหน้าแต่ถ้าคอยเจ้างมันเราจะไปยักหน้า น, นนะ อ, อย่างนี้มือเคร่งเครียส เงัจริงๆนล้วเรารู้ไปสบายๆตามรู้ไม่ใช่ดักไปก่อนนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดกระพร้าจ้องไปก่อนไม่หรือจ้องไปก่อนใช่ไหมจ้องไว้แต่รอดูว่าเมื่อไร่อะไรจะเกิดถ้าดูกายก็รอดูเมื่อไหรมันจ ะ, ระกระดุกกระดิบดูจิตก็ดูซิเมื่อไหรตัวอะไรจะพลุ่งจ้องไว้ก่อนไม่ได้หน้าที่คือตามรู้ก็ว่าเราทาสติปฐาด้วย กายาังตัสนาตามรู้กายเทนานุตัสนาตามรู้เวทนาจิตยังนตัสนาตามรู้จิตแต่ก็มันเป็นเพีแล้วก็ตามรู้ว่ามเป็นเพียงอย่างโกรธเนี้ยโกรธเนี้ยร้ก็ตามรู้นะจะรู้ไว้ก่อนไม่ได้หรือขณะที่กำลังโกรธก็รู้ไม่ได้ถ้ากำลังโกรธอยู่ น, นี่จิตไม่อกุศลไม่มีสติหรอก บางคนพยายามฝึกอยากสติวัยประโถดทุกรู้เห็นความโปรดเห็นไม่ได้เห็นตามหลังหน้าที่คือตามรู้แม่ใช่ไปดักให้ก่อนไม่ต้องใครพยายามรู้ให้ทันเราแค่ว่าอ่ะเหอไปแล้ะอ่ะโปรดไปแล้วาลตามที่ทําไมเราถึงจะตามไม่ได้ตามรู้ไม่ได้นี้แล้วมีอรปสรรคสาคัญ ต, อนนต่อ ง, องานหลวงพ่อสอนงาน แตอยู่ในเน็ตสอนอย่งเถือไปเสือก็ตามรู้กายรู้ใจไม่ได้เสือไปรู้แต่ความคิดใช่ไหมอันหนึ่งก็เพ่งอยู่นั่งเพง่งเพง้งเพง่เพงไปใจทือท่อๆพวกเพง่งนี่ส่วนมากก็พวกดัก ร, รู้พเพง่งใช่ไหมก็เสือไปมันก็ใจลอยไปลึมดูลึมรูมมม้สุดต่งสองฝั่งมีไม้พวกตะเกียบมั้ ถ้าไม่เพียงไว้ก็หลุดไปเลยทํำไอยอะจะทําสงกลางได้ทําไม่ได้หรอกหน้าที่คือตามรู้ทั้งนี้ตารู้กายทํารู้ใจไปต่อไปตอนเราตามรู้มากๆสติเกิดเองเห็นคนสั์เห็นได้่อนีสติเกิดเองนี่ไปทำาั้งเลยถ้าเราสติเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเราจําสภาวะได้เม่นจิตมันจําได้ เช่นมันจําได้ว่าเคลื่อนใหวเป็นอย่างนี้นี่นั่งเป็นอย่างนี้ยืนเป็นอย่างนี้จําได้จําได้ว่าสุขว่าทุกเป็นอย่างนี้กุสลและอกุศลเป็นอย่างนี้อันไหนที่มันรู้จักแนะลก้วโลล่ขึ้นมาสติมันคืออีกหนึ่งแม้จะยักหนารู้ไหมแต่อย่าเจ้าให้เกิดะช่เจ้าแล้วบางคนไปนั่งนั่งไงจะได้บรรลุไม้มบรรลุหรอทําด้วยตัญหา สบายใจรู้ไหมสบายใจรู้สบายใจตามรู้เรื่อยๆไปก่อนหลับปฏิบัติง่ายๆมีแค่นี้พอเราตามรู้ไปเรื่อยๆในสุดเรก็รู้จิตว่าพอร่างกายมันขับไม่ได้จิตใจก็บังคับไม่ได้บทมันจะสุขมันก็สุขบทมันจะทุกข์มันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็หักกุศล เดี๋ยวก็ไปรู้ทางตา mm hmm. เดี๋ยก็ไปรู้ทางหูเดี๋ยวมารู้ทางใจห้ามไม่ได้รู้ออกไหมว่าไปทางตามันก็ไปะไปทางหูมันก็ไปเลือกไม่ได้ด้ยวยซ้ำเลยอุตส่าห์เอาจะเลือกอุตส่าห์หาเทียนมานมันั่งเพ่ง mm hmm. เพียงนึกว่ารู้ด้วยตาอย่างเดียวไม่จริงหรอก mm hmm. ไปรู้ด้วยตาแว บ, บเดียวก็้ามาที่ใจจริจริงบังคับไม่ได้ จิตเป็นจิตไปทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยปดูมือเห็นไหมจงใจไปดูเห็นไหมอออกมว่าจงใจไปดูกลายเป็นหลงดูต้องรู้เลยไม่ได้จงใจจะรู้จริงๆเห็นไหมอย่าดูไหมแต่ถ้าเพ่งไว้ก่อนใจก็จะทื่อๆใช้ไม่ได้นะไม่จบด็อกเตอร์ี วันทีดอกเตอร์เยอะกว่าเยอะกเรียนในวิศวะยูทาร์ไม่ว่าไม้ไผ่มาปีกว่ากผ่านมาสามปีครึ่งแล้วยังไม่ได้เรื่องไม่ไปทีไหนเลยกลัวถ้าอย่างนี้อีกสิบเท่ากันสามสิบปีนี้ก็จะอยู่ที่จับจักได้ไหม เริ่มต้นของพวกเราที่เป็นสาวกพระภูเลยต้องฟังให้เข้าใจก็มีสมาธิฐิไวก่อนสมาธิถี่ริญญาทีมากเลยเริ่มจากสมาธิถี่แต่พอเราฟังแล้วเรารู้ว่าหลักปฏิบัติเป็นไงมันจเจริญสติในทางปริญญาก็เริ่มจากสมาธิถี่ในทางปฏิบัติก็เลยไปเริ่มจากสมาสติมีสมาสติก็คือไปตามมาเลย รู้การเนึ่งหนึตามระลึกรู้เวทนาหนึ่งหนึ่ตามระลึกรู้จิตหนึ่งหนึ่มีสัมมาสติตามระลึกไปสัตว์าระลึกนี้ใจตั้งมั่นไม่เข้าไปแกล้งแฉงนี่คือสัมมาสมาธิในขณะที่มีสติมีสมาธิอยู่นอกุศลไม่มีอกุศลเจริญขึ้นเลยเป็นสัมมาวายามะมีความเขียนเข้า การปฏิบัติตัวที่ลงมือปฏิบัตินี่คือตรงที่สัมมาสติสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิพอทํามากๆตามรู้กายรู้จิตมากๆในฝึกรู้ความจริงกายกับจิตไม่ใช่ตัวเราคือสมาทิฏฐิอันนี้เป็นสมาทิฏฐิที่เป็นผลของการปฏิบัติสมาทิฏฐิตตัวจริงเพราะงั้นเราฟังให้รู้เรื่องไม่ใช่เริ่มปฏิบัติการลงมือทา ไม่ส nh <ể> ังเกตไหมว่าไม่ลงมือทำอย่าทําฟังก็ฟังไปเลยครูบาอาจารย์สอนนี่ก็ช่างแจ่ฉจะจ้องอย่างนี้มันไม่เล่กท่านนี้เริกแครับอาจารย์ยานนึกว่าไม่จ้องก็ยังจ้างอยู่แต่มันเบาลงทังนนเพราะว่าเบาลงเพราะว่าไม่ค่อยได้จ้องกลับมเมืองไทยแล้วเวลาว่างเยอเริ่มจ้องหนักข สังเกตไหมก็ยังทำอยู่นี่แเวลาเกิดการจะทำเรารู้ทันว่าทำเลยทันทีที่รู้ทันว่าทำนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วทำอยู่รู้ไหมนี่ถ้ารู้ทันตรงนี้รู้ทันตรงนี้มีคนมาบอกว่าให้หลวงพ่อสอนให้ตามรู้ไปจะไดอะไรยากอะไรยะจะต่างกับปลวงพ่เทียนไหมพ่อเทียนให้ขยันก็รู้ไปเรื่อยๆคนแร การตามรู้เพื่อหัดให้รู้จักตัวสภาวะาเรารู้จักตัวสภาวะว่าเราสะหลุดระดิกห อ, อะไรขึ้นมาสตรีมปเกิดสิงหลกงเทียนิน่มต้นในการหัดกระดุ ก, กะดิะดุระดิอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่คิดเริ่ ม, รมือก็แค่เรื่อมือเพราะฉะนั้นถ้าแฝึกอย่างหวง่เทียนขยับก็ได้ขยับแล้วแคเ้มือรู้ว่า่มือแตรู้สภาวะ ถ้าขยับไม่คิดเรื่องมือรู้ว่าคิดเรื่องมือรูอร้สภาวะเห็นรูปไหวแต่ว่ารู้รูปไหวเห็นสภาวะนี่จงใจเคลื่อนไหมจงใจเคลื่อนจะดูจงใจทำจะผิดธรรมชาติรู้สึกไหมครับก็รู้ว่ากิจกรรมอะไรสักอย่างอยู่รู้ทันว่าทำไปเรียบร้อยแล้วก็คือ ส้างใจความบอกผิดเพื่อให้ให้รู้ว่าอย่างนี้ใช่อย่างนี้ก็ได้เส่วนให่ก็คือผิดแล้วผิดเลยทาผิดแล้วจัมนานมากขึ้นต่อไปเคลินะใจไม่นิง่งอยาจะทำหน้าอยูู่หน้าฉะนั้นต้องทำแล้วเป็ น, นใจจะเป็นแต่ จ, จะนิงน่งๆชื้นๆหลวงพ่อเทียนน่ะหลงพเทียนขยับหลวงพ่อเทียพูดได้ด้วยหลวงพ่อเทียรู้สึกตัว งเตียนไม่ได้เอาเมืองหเตียนเอาความรู้สึก ร, รู้สึกหงเตียนดีๆเยอะนะหลวงก่อคาเตียนเลยรับีสอนไม่ให้รักคิดไม่ให้ลงไปในความคิดบาทีภาษาทื่อกรยุกเย่างใสลงพ่เตียนที้จะสอนไม้ดูความคิดให้ผิดปริยัติสีดูความคิดดูความคิดทีไม่เห็นสละมั ความจิงคำว่าดูความคิดไม่ได้แต่ว่ า, ใ ห, วาให้ไปดูความคิดให้ไปดูเรื่องที่คิดไม่ใช่ให้รู้ทันว่ากำลังคิดแล้วก็จะได้ไม่หลงคิดไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็จะอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวภาษาเวลาไปถ่ายทอดอคลาดเคลื่อนอย่อยางเงื่อนคนที่เรีตริยะไม่ได้รู้สภาวะเขาไปดีอินเขาให้ดูความคิดเนะีพรเขาสอนผิดจริงเขาก็ไม่ผิดหรอก มีไปคิดใช่ไหมเถ้าเป็นสายหลวงพ่อเแลก็รู้ว่ามันแอบไปคิดมัื่อความคิดพอรู้เรื่ออะไรกิความรู้สึกตัวงเกิขึ้นาทีแต่ละสำนักจะมีบัาญัติมันไม่เหมือนกันเว็ริงกันต่างกัูกสิษย์อะไย่าทะเลาะกันเอ๊ะทำไมอาจารย์ว่าอย่างนี้กันบางทมันันเดียวกันแหละภาษาพูดมันต่างกันถ้าเราจับตัวสภาวะได้ง่ายเหมือนกันม ทำอะไรอเออ<า>เสร็ <จบ S 1> ไม่ห้ามห้ามไม่ได้นะเสร๋ก็ห้ามไม่ได้รู้สึกตัวทำไม่ได้เพราะทำทั้งปวงเป็นเรื่อน่าตาบังคับไม่ได้มันจะอเสร๋ห้ามมันได้ไงห้ามได้มันก็เป็นอัตตาทําอะไรอเออหันไนปะนิดนึงพอเราเช็คเตียงเรื่อยเรื่อย ต่อไปพอมันเหมือทุกสติที่เกิดเองอย่ารู้ทันขึ้นมทำอะไรเพ่งเนี่สัรภาพบอกว่าไม่ทำนะแต่ก็ยังเพ่งอยู่นี้ต้องรู้ทันมันเหมือนกัไรบิดบันเที่รู้สภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงนนและวิตัศาสนา ในนี้ศาสนาไม่ใช่การนั่งทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการรู้ตามความเป็นจริงของเขาอยากรู้ตามความเป็นจริงเบื้องต้นก็ตามรู้ไปตามรู้ไปเรื่อยๆทำอะไรนะหนักนะครับทำไมมันหนักนะเหมือนมันขวนจีบอะครับฮ่าฮ่า แลใหม่เหรอใหม่ทาอะไรมาสกู้คิดครับคิดว่าคิดรัดจบห้ามไม่ได้ความคิดเป็นปัญญาต้องจริงนะแต่ปัญญาตเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ไม่ทำทั้งกปวงเป็นอนัตตาในเป็นสักด์ทําในคุณศักดิ์คิดแล้วว่าคิดส่วนมาเวลาเราคิดเ้วเรารู้เรื่องที่คิด เราไม่รู้ว่ากําลังคิดอยู่ใช่ไหมเราร่ำเลยสิ่งสําคัญไนเอาสิ่งไม่สําคัญไม่รู้ว่าคิดอะไรคิดอะไรไม่สําคัญสําคัญว่ารู้ว่าคิดกําลังลงคิดอยู่คิดเรารู้ว่าคิดเรียกว่าสักว่าคิดคิดเรารู้แต่เรื่องที่คิดนะไม่รู้ว่ากําลังคิดหรือหลงคิดไปดูรู้หมดเลยใครเดินมารู้หมดเลยไม่รู้ว่ากําลังดูหหลงดู ถ้ดูอยู่ไม่หลงเมันก็สักว่าดูใจก็เป็นกลางเป็นตัวตัวเองไม่หลงทำไงใหม่ไปไหนก็ไาเออนะรู้ว่ามันใส่ไปแล้ว่อแล้วไปไหนเครื่องใม่แค่รู้ว่าไปไปอีกแล้วนะเไม่ห้ามนะไปแล้วเราใสกตามดูไปดีนะไปแล้วอ้าวหลงไปคิดแล้วเอ้าหลงไปดูแล้วหลงผูดูสอนอยู่ตรงนี้ คือคำว่าอย่าส่งกิจออกนอกอย่าหลงนี่แหลแต่หลงห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้มันมัหลงไปลึกลุวยไปอยแบบสภาวะได้เราหลงคิดแล้วหลงเพ่งแล้วหลงแสวงหาหลงดูหลงฟังจาเลยเหม่อเหรอท่านดูไปเนี้จริงๆแค่ตายกระทบรูปทุกมันก็เรียบร้อยแล้ว ตาแล้วตกรูปเลิเลสไมตามหลังมหรือปัญญาจะตามหลังมันได้ไม่ใหม่กับไม้ไี่ตากันน่ะมันังไ่ด้นัดใหม่แล้วไม้ทำอะไรนันเนี่ยเข่งเออเข่งเหรอเห็นไหมไมยืนยันคำตอบเรื่อตลอดยนยันยังไม่ถ่ายแต่ตับเข่งของมันอยู่ นะก็คอยดูไปเรื่อยว่ากําลังเพ่งนะอย่าแก้นะอย่าอยากนี้อย่าอยากเลิกเพ่งให้รู้สภาวะตามที่มันกำลังเป็นตามที่กำลเป็นตามสี่จิตเรากาลังทําไปอยู่จิตมันชอบทำโน้นี้เราคอยรู้ทันจิตมันทํางานตลอดเวลานะเราคอยรู้ทันเสร็จแล้วเราจะรู้อะไรหนะรู้ว่าจิตไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ เดี๋ยวมันก็ไปดูเดี๋ยวมันก็ไปฟังเดี๋ยวมันไปคิดเดี๋ยวมันไปเพ่งห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้นี่ธรรมะอยู่ตรงนี้แนะไม่ใช่ฝึกจนบังคับได้นะ้นฝึกจนเห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้หมูเริ่มดูออกเแล้วว่ามันบังคับไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับเคยเห็นว่ามันหางหางไปครั้งเดียว ยังใส่ความรไปดิเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเลือก ไ, ไม่ได้นะครับไม่ได้ความรู้จริงๆแค่นี้เองทำอะไรไปค้นหาเาหาล้วหาเราโมจะจะหาอะไรเราไปสนใจสิ่งที่จิตกำเที่ยวหาเราไม่สนใจว่าตอนเนี้จิตกำลังหาอยู่ ให้สนใจรู้ทันจิตกําลังหายจิตก in, ําลังเพ diseases, P, ่งอยู่เพ่งอะไรไม่สําคัญหาอะไรไม่สําคัญคิดเรื่องอะไรไม่สําคัญรู้อะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าจิตมันกําลังทํางานอย่างนั้นอยู่ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเพจะเห็นให้มันเลือกไม่ได้นะเดี๋ยวจิตแค่จะไปดูเดี๋ยวจิตแค่จะไปฟังเดี๋ยวจิตจะคิดจิตจะเพ่งจิตจะหาเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ย่เี มาร์กเขาไปเข้าใจเหมือนนี่เข้าใจว่จิตมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองเลยทำอะไรนะคิดครับคิดแล้วเป็นอะไรมันก็สับไปนะโ่เพีย่ปั่นข้อศิษย์ต้องคิดเบอรครับแล้ดูไปเรื่อยแม้สภาวะทั้งทั้งหมดจะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้นี่นนแลลาาห ล, ละ ดูไปอีกจะเห็นว่าสภาวะทั้งหมดเลยเกิดแล้วดับอันไหนเกิดขึ้นมานั้นต้องดับแน่นอนดูออกเลยเพ่งเนี้ยเพ่งเดี๋ยก็เลิกเพ่งดูแล้วเดี๋ยวก็เลิกดูฟังแล้วเดี๋ยวก็เลิกฟังคิดแล้วก็เลิกคิดสภาวะต้องมันมีแต่เกิดกันดับสิ่งใดเกิดสิ่งหนึ่งก็ดับเห็นตอนเกิดนะไม่เห็นต้องดับจริงมันก็เกิดสมัยแรบ เบื้องต้นเป็นอั้นึ่งเบื้อง้นมันถึงยังไม่ใช่ตัวมิปั ส, สนาอีกมิปั ส, สนาเนี่ยอยู่ตรงอุท ย, ย า, ยายพยายาห์อุยาพยยาห์จะเห็นอันหนึ่งเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมี่หนขั้นหนเกิดดับขั้นช่องว่าง ข, ขั้นแต่ของเราจะได้เห็นเกิดดับเหือกันแต่เห็นแบบที่ว่าอันเก่าเรารู้ว่าอันเก่าเนี่ยไม่เที่ยงหรอกเพราะอะไรก็ขณะนี้มีอันใหม่ที่ไม่เหมือนอันเก่า ตัวนี้เรียกสัมมาสัญญาเป็นสมัรรยยสมมายสัญญาปฏิญาณอยู่ที่สา้าัจจานี้จิตจะเดินนี้ปัสสนานะคือจะเห็นเองเกิดแลระดับเกิดแลระดับเนี่ยน่าเชื่อ แ, <ต>แค่ตามมู้เทานัว่าขนาดนี้รูปขนาดนี้กับรูปเมื่อกี้ไม่เหมือนกันจิตขนาดนี้กับจิตเมื่อกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมไม่ทันเลยสองงานไม่เหมือนกันต่อไป อมมันเริ่มเปลี่ยนและะปลงจะมีโมเร็วี่มีบาเหตุเช่กาลังเผลอเรืเอรู้สึกตัวนมาภาพจะเห็นในความเคลืข่ขัดแทบปุเลยหรือกาลังโกรดอยู่พอรู้สึกตัวว่าโกดห็นดับต่อไปอะไรไหวนิดหนึ่งนะยังไม่ทันรู้ว่าอะไรเกิบบเเดเลยไหวขึ้นมาแป๊บึ่งจะเคยเห็นขาดไปแล้วเดี๋ยใจหลุไปยิบๆขเ้นมาขาดตรงนี้เห็แตดับดับดับไม่เห็น ไม่ได้เน้นที่เกิดเลยตรงที่ดูระดับดูระดับดูระดับไม่พังพยานพยานที่ห้าถัดจากพยานหลายอย่างเร็่มีวปัสนาที่ได้เห็นทันทีแล้วไหว้ดูเต็มทันดูเรื่องเลยเกิดเต้มไ่เต็มที่เลยก็ดับเห็นจะดับเห็นจะตันเกิแล้วก็เลิไปตันหนึ่งไม่เห็นดับ ถ้เราไปเช็คเไปไีเยนไปเรื่อยๆมันก็จะรู้เลยว่ามันเปลียนแปงตลอดไปลาตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันหรอในจิตใจตอนนี้ตื่นเข้าวัดมาใหม่ๆไม่เหมือนกันใช่ไหมไปเข้าวัดมาตื่นเต้นใช่ไหมบีไม่ค่อยตื่นเต้นไม่เหมือนกันนใหม่ทำเลยใหม่ตืน่นเต้เหอเขงอร์เขใช่ไหมเ่งดับไปแล้ว และหันกันในสภาวะเกิดล้วก็ดับโดยที่เราไม่ได้ส้องจูงใจดับมันของคือดดับนะครับโรงงาน ย, ยังโ ร, รงงานเคยสอนแนนให้ดูขันหน้าครับแยกกายแยกความรู้สึกไปถ้าผมจะทำอย่างนั้นบ้างจะเหมาะเหมครับเพราะมันทำเองมันชอบทําตลอดถ้าชอบทำทำเองกันก่อนก็ไนดะ้ ไปร่างกายก็ตบรู้คนุกคนทุกข์ก็ตบรู้นี่สอนอุกรสอนก็ตบรู้นี่เนศาิบอะไรเป็นิงไม่สำหคิดเนี่ราู้แต่เรื่องที่เราคิดเราลืมกายลืมใจเราลืมกายลนมใจก็คือเราไม่ได้สะสมความรู้ แต่ถ้าเราไม่ดึงใจดึงใจรู้ตัวรู้ใจรู้ใจเราจะเห็นการแจ้งวิสัยตัวเราเยอะนมันมันแตกต่างกันเจ็บเที่ยบกันเลยน้หมูทำไรหมูเมือครับอยากรู้ว่าเบื่อแค่เนรทำสบัย ถ้าเรารู้สภาวะได้เยอะๆขึารถ้าเราตามรู้สภาวะทางกายยืนเดิน น, น่งนอนหรือตามรู้ไะแต่สติมันเกิดขึ้มนมาเนี่ยทำกายายันปัสจนาไปอย่า ง, าาางาเช่เราเผลอๆอยู่เผลอขยับตัว่สติเกิดอะไรแจะรู้สึกตัวขึ้มนมาเองหรือถ้าเราหัดตั้งใจอารมณ์ทางใจในเรื่องต่อไปเ น, นาทางานี่รู้สู้สอนรู้สอนรด้เกิ สติไม่ได้เกิดการปฏิบัตนะิง่ายสุดขดเลยนะถ้าเมื่อไหร่มีการกระทามันผิดแล้วง่ายๆตามรู้ไปใจเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงิธีตามรู้กายอ่าลิเเรื่องเจ้าสอนเ่อัๆนะอย่างไิยาบทแบบพระการยันโาษณาคียเวิร์ด เ, เรื่องกายังโฆษนาวิญญา บ, บุแบบพระ คือเรื่องรูปจิตหรือนั้งนอนพระพุทธเจ้าสอนหลักไว้ที่เดียวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่ากายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ไมกายอยู่ในอาการเส้นแขนแขนนี่แขนอยู่ในอาการเส่นไหมรู้ว่ามันอยู่มันไม่ใช่ตัวเราของถูกรู้ถูกยึดไม่ใช่เราเป็นรูปไม่ใช่เรา ถ้าจะเป็นเรื่องเคลื่อนไหวละ่ะธรรมชาญิญาบับาพพะคีย์เวิร์ดของธรรมชาติ ญ, ญาบับาพพะอยู่เลยมีตัวที่ความรู้สึกตัวขอให้เคอมีความรู้สึกตัวจะยืนเอินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดกระดิกกดิกเดี๋ยวซ้ายแลวขวาทรงผ้าสันคาติซักผ้าทำอะไรก็ตอันนี้ทําได้ความรู้สึกตัวยกากมากรู้สึกตัว จเจริญสัมปชัญญะกอกพักทำอะไรบอกพนะ่างพ่าตัวเองไม่เกาอะไรอะไรนะบ่างตัวเองให้ไปเกาป่ะเราไปยุ่งไมเฉยเฉมันอยากเกาให้มันเกาไปหม่เป็น น, นิ่มมากงนีแบบเป็นนิ่มมากเล่เา แ, แ, แกง้ง ก็ก็ก็คุยหวยครับหลวงพ่อแลก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เท่ากับคดีนะครับจริก็ส่วนใหญ่ก็แย่ๆครับก็มีความรู้มาแ้อก็ย้ยาที่หลวนพอสอนนะครับกามรู้ไปเรื่อยๆนสวขมันก็ไม่ไม่ลากใครเข้าคดีส่วนจะดีเล้วเนี่ก็มากราบหลวพ่อขอบคุเสมแล้วก็ช่วยชี้แนะแนวทางประกอบ การปฏิบัติไม่ได้มีเป็นขั้นขั้นการปฏิบัติก็คือมีสติหรือว่าขาดสติเพื่อ น, นี่นเราฝึกตามรู้พอเราขาดตามรู้เราเกิดสติพอเราเกิดสติเนี่ต่อไปจิตเราคุ้นเคยที่จะเกิดสติสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นและจิตเนี่ยจะเกิดไปตามความเคยชินอย่างคนไหนเคยโกรธ้วก็จะโกรธมากขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเคยเพ่งก็จะขยันเพ่งไปเรื่อยๆ จิตนี่จะไหลไปแต่ความเคชืนเพราะงั้นอย่างถ้าใหม่หัดตามนึกใจตามนึกใจดูเล่นๆต้องทำเล่นๆนนะีะยจะทำจริงจังค<ะ>นี่เค็ดลับเลยทำจริงจังเละก็คือทำด้วยหลวงพ่อนม่ตันหายากทำเล่นๆเผลอๆบ้างเผลอรู้รู้เผลอรู้รู้เดีจะหัดยืนเดินนั่งนอนเดินตรงกลงเดินไปหเห็นร่างกายเดิน แต่ของใหม่เนี่ยทำตามรูปแบบมีผู้หาหรือจะไปแข่งเราคุ้นเคยกินเี่ก็ต้องการทำประเมินอยู่บ้งนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวที่เบื้องลบผมาทำศิษย์มันจะกลายเป็นไปเร่อความเียนแบบผู้องคืรอบนี้ที่ซีที่พยายามปฏิบัติมันมันเข้าท่าเข้ทางขึนหรือยางครับให้เมีย อย่าให้จิตขยับเลยอย่าตแรงจิต่จิตให้ยแล้วจะแค่ไ ม, นะ<ะ>ม่เผอานมเริ่มทำงานแล้วลดูอกทางนะยนิ้้งไอ้ที่ทางานเนี่งมไป<ะ>ต้องหยุด้า่นอกนีนะ่นไม่เข้าไปข้างในเข้านเนะไเห็เข้าเปในความคิดเลย ตรงนี้ตั้งเอาไว้ไม่ได้ตลอยทิทําห้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้คิดแล้ว่ น, นี้อไปิดเราก็ลืกตัวเราเอกปฏิบัตินให้ทําต่ให้ือนิ่งๆม่นอกเข้าไปข้างในแว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนี้ ทำอะไรหนาสติมันวิ่งเร่งสติเลยครับเรื่อประุนถ้าอยากเราออกมันจะยากเลยถ้าอยากเราออกรู้ว่าอยากเลยลดุเลยถ้าเรารู้ปัจจุบันก็จิตจะหยุดตัวเลยที่เข้าไปยึดเพรไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยจิตเป็นเพ่งแล้วอยากแก้อยากแก้เนี่ยตอนนี้จิตไม่ใช่จิตเพ่ง น, นะ จิตมีโทสะ ร, รู้รู้จิตปัจจุบันอยากแก้เรารู้จิตปัจจุบันที่เพ่งก็หลุดไปด้วยแต่ถ้าเปเพ่งอยู่หาทางให้เลิกเพ่งไม่ไม่เลิกหรอกเรารู้ปัจจุบันอย่างนี้มันหลุดไปเองเนี่ยสร้างฐานไว้ฐานให้เราแบบเรียนรู้อะไรได้หรือเปลาไม่ได้ สติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่ทำฐานไว้ก่อนแต่สมมตเราเราอยากทำกายานิพัสมาเราก็รู้อ้าเราจะรู้รูปยินเรียนนั่อรู้การเคลื่อนไหวกัรพุ่งการเหยียดการพยักหน้าไม่ใช่ตั้งท่ารอดูแนละ้ว่าเมื่อไรจะถูกปกติไมใช่ตั้งท่าอย่างนี้นะรอดูว่าเมื่อไรจะถูดปกติเมื่อไรจะหายตรงนี้นี้ไม่ใช่เรื่องเลย เนี่ยมันไปังหน้าใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยแค่นี้มันจะเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆเลยเราไม่ได้เจตนาทำคือคือใช้กายเอามาเตือนเราใช่ไหมกายของเราอยู่ในอาการอย่างไงรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นมันไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะเขามีอาการยังไงก็รู้ว่าเขามีอาการอย่างนั้นเขาเขาดูเขาดิ้กื่าอะไรใช่ไหมเป็นเด็บมันเป็นเนื้อนี้ลุกไป เนเด็กพไม่ต้องไปทนมันไม่ได้ทำเมญนาคบั ส, สนาถ้าเราจะทักรูปกายนะเมื่อเห็นอุปยับ่ปลี่ยนบบไ่อยากบดเห็นว่ารูปมันเปลีป่ยนแล้วเมื่อกี้รูปมันอยู่อย่างนี้อนนี้เป็นรูปอย่างนี้ไปยักหน้าไปยัดหน้าแนละ้วรู้สึกเออรู้ว่าไปยัดหน้ารู้ความหมของรูปทำไรนะคิดคำคิดรู้ว่าคิด ก้ามัา น, น, น, น, น, นแล้วไงอ่ะเรย่อะไรเกิด่งแม่ตัวแล้วดูไหมอ่ะดูออกยังนี่ยอเรารู้สภาวะเขาต่อไปแบมนเริ่มเพ่งก็จะรู้ว่าเพ่งถ้ารู้ว่าเพ่งก็อยากอยากส่เพ่งนะไม่อยากก็ผิดเราควรจะเลือก อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับมเรื่องต้นเรื่องเดียวจะรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้รู้กายกายเคื่นไหวก็รู้แต่ไม่ใช่เพ่งกายอ๋อคี่ว่าจะรู้กายคือมันเดินร้อเนะ่ยคนเดินล้อก็เป็นการเพ่งกายไม่รอไม่จบ แล้วพอรู้เสร็จแล้วเราเรากบปล่อยให้มันเผยไปเลยไม่ต้องใส่เผยเองเนี่ยไม่ต้องแกล้งเผยนะสำนักของแบบพอรู้ปุ๊บแล้มันเหมือนมันเกรงๆเคลงรงรู้ว่าเกรงในขณะที่ได้เผยก็อยู่ในอกกุศลต่มาเรารู้มันเกิดกุศลแต่ถ้าากล้งน่ากลัวจะหลงอีกในเจ้าอะไรก็ได้เกรงเป็นอกกุศลอี่คง กุศลกำลังเปลี่ยนรู้ว่าเปลีนได้กุศลอีกคนถ้าเรารู้ทันมันก็เริ่มันเริ่ของมันกอล้วไม้ทำไรไม่คินี่ไม่เริม่มเปลี่ยนนะ สติปัฏฐานสี่เนี่ยนะทำสมถะก็ได้ที่ปัสนาแล้วไนดะ้อารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐานสี่เป็นสมถะอารมณ์บางอย่างให้ทำที่ปัสนาอารมณ์อะไรเป็นกายเป็นใจเป็นรูปเป็นนามเนะอยอาไว้ทำที่ปัสน า, ารมณ์อเป็นสมมติมันจากเอาไว้ทำสมถะอย่างหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะถ้าเราไปไปรู้เรื่องหายใจ หายใจเข้าเข้าเนาะออกเนาะก้เป็นเพ่งบรรยัตเป็นสมถะหรือเราจิตไปจับไว้กับลมไห่ไปฟังลมเฝ้าอยู่ที่ลมเป็นการเพ่งตัวของเป็นสมถะมีปัศนาจะรู้ลักษณะสมถะจะไปรู้ตัวอารมณ์เป็เพ่งเป็นมิจฉา ตัวลมหาใจทำได้สองแบบสมาทาก็ได้ไปัฆษณาได้อย่างถ้าเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกอะไรลมเข้าเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกับลมออกลมเข้าเย็นๆพลมออกก็ร้อนเหมือนธาตุธาตของลมหายใจเปลี่ยนเห็นความเปลี่ยนแต่ลงขงลมใายใจลมเข้าเย็นลมออกร้อนลมเปลี่ยนอันนี้แบบนี้ศาสนาได้หรือหายใจไปเรื่อยๆจิตมีความสุข รู้ว่ามีความสุขที่เข้าไปทำเบญจนาัศนะหายใจไปแล้วมันเพลินเพลินเผลอเพลินเิรู้ว่าเผลอเพนป็นจิตตังอสนาทีนี้พอมาถึงอารมณ์ต่อมาในกายานุปัสนาก็คือปุถียภรณ์สหลักของปุถีอภรณ์สีก็คือถ้ากายของเราอยู่ในกันอย่างไรรู้ว่าอยู่ในกันอย่างไร กายอยู่ในอาการยืนในนั่งนอนเอาสี่อาการท่ือถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้ารู้รายละเอียดรู้การเคลื่อนในกลังเปลี่ยนแะ้รนี่เรอยีริยาหมดย่อยเป็นอยู่ในสัมพันธยา บ, บาพักอีกันเรื่องถ้าใหม่จะทำยีริยาหมดสี่นั่ง่านั่งแล้วก็ย้ารู้ถ้านั่งอยู่ทั่วโมนึงไม่ใช่ใช่ไม่ย้ำแล้วมีอะไรแลก็เห็นว่าร่างกายมันนั่น เห็นว่าร่างกายมันเป็นก้อนธาดุต้งอยมันตั้งอยู่ไหมมันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมมันไม่ใช่เรานั่นยังไม่รู้สึกเหมือนเหมือนหุ่นเดินตัวหนึ่งมาตั้งอยู่ก็ได้นะเห็นหุ่นยนต์ตัวนี้กระโดดขดิก็ได้คขต้องไปสัมผัสไม่ใช่แค่แบบภาก็ได้หนังหนางหนังสือทุกโมงครับพอเริ่มเรื่องปุ๊บแล้วก็มารู้ว่าอะไรเนี่ยจะไปงานหนังสือเพราะว่าอ่านหนังสือถ้าคือไม่ได้ ไม่ได้เจริญสตินี่ถ้าเรานั่ง น, นีว่านั่งก่ะแล้วก็จะเห็นว่าเออนั่งอยู่ไม่ได้หรอกต้องขยับไปเรือ่อยๆเดี๋ยวก็ต้องงั้นี้อยู่ไว้ันทันมันเมื่อยมันเนอยขยับขยับขยับขยับเยยับขยับขยัขยยับขยับขยัั เห็นรูปมันนั่นไม่ใช่เรานั่งพ่อเขาพ่อสอนอว่ารู้สึกว่าลูกไม่ใช่ตัวเรากับไม่มีความคิดว่าลูกเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเนี่ยคือแบ่งขั้นใหม่คือความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นตัวเราแต่เราไปคิดเอาว่าเป็นตัวเราหือไปสําคัญขั้นใหม่ว่าเป็นตัวเราแต่ถ้าเรารู้สึกเอารู้สึกถึงอาการนั่งของรูปแบบนี้นั้นไม่ไปคิดเรื่องรูป รู้สึกเออกี้ไปยักหน้าแค่รู้สึกถึงการไหวของรูปอ้ก่งเล้ว่ารูปไม่ใช่เร า, เ า, า, ารู้อาไหมไปยักหน้าไม่ยุงไปเรื่อยก็จะถอดถอนความเห็นผิดว่ารูปเป็นเราเวลาเผลอๆขึ้นมาแป๊บถ้าหลงเมื่อไหร่รูปเป็นเราเมื่อ น, นั้นถ้ามีสติเมื่อไหร่รูปก็เป็นรูปเมืเ่อ น, นั้นเลยไม่จําเป็นต้องติดคิดเอาว่ารูปไม่ใช่เรานะ มัเป็นตามขึ้นมาเพความคิดนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะ ร, รู้รูปลงไปจะเห็นว่ารูปไม่ใช่เราในขนาดเดียวกันใ น, ในลักษณะเดียวกันไม่ใช่ในขนาดเดียวนในลักษณะเดียวกันถ้าเรารู้สึกตัวอยู่แล้วเรารู้ลงไปที่จิตจิตก็ไม่ใช่เราอยู่เลยเหมือที่รูปไม่ใช่เราเนี่ฟังเราเห็นอย่างนี้หนึ่งหนึ่ ง, งกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานั่นเปะะ็นสักกิจที่ทีมจะขาด แม้ต่ น, นี้เป็นเราแล้วเพามันหลงคิดพอหลงคิดก็เป็นเราคิดพอเป็นหลงกับความโกรธก็เป็นเราโกรธแต่ถ้ารู้สึกตัวอยู่แล้วรู้รูปรูปไม่ใช่เราแล้วเห็นไหมรูปนั่นไม่ใช่เรานั่นหุนก้อยอะไรนันมันตั้งอยู่ตงนี้ตัางต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยางเรารู้รูปเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยความรู้รกกรสึกตัวนี่พอรู้สึกตัวเรารู้รูป อะไรเกิดขึ้นอีกความรู้สึกตัวก็เกิดอีกมีสติไปรู้กายตามมาพอรู้กายก็เกิดสติอีกสติก็จะเกิดทีขึ้นทีขึ้นอย่งนี้คิดใช่ไหมใช่คิดอย่างตั้งใจทำรู้ไหมไม่ทราบนะครัถ้าตั้งใจแล้วมันจะแข็ง เอาใจที่แข็งๆเนี่ยเป็น indicator ไนดะ้เป็นตัวชี้วัดได้ว่าผิดแล้วไหมเก่ารนะึเก่ารนะึกับแนะ้วมันเห็นเป็นตัวเหราหรือว่าเพราะว่ามันยังไม่รู้สึกตัวต้อง ร, รู้สึกตัวก่อนเราค่อยไปรู้คือก่อนที่จะ ให้รู้รูปรู้นามเนี่ยเราต้องมีจิตที่ถูกตั้งสักจิตจะต้องมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นมีธรรมเอกใจตั้งมั่นไม่หลงไม่ไหลเปนตวัวของตัวเองสบายๆจิตใจใ น, นุ่มนวลห่อนโยนร่องแฝงว่องไวัวเหตุการงานจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นตั้งมั่นไม่หลงไม่ไหลไปทางสวรรค์ทังหก พอมีจิตใจที่ตั้งมั่นลงมารู้รูปสิรูปชะไม่ใช่เรามีจิตใจตั้งมั่นอยู่ไปรู้จิตจิตจะไม่ใช่เราเรืนตัวปัญญาเนี่ยเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสัมมาสมาธิถาจิตไม่ตั้งมั่นถาจิตไม่ตั้งมั่นไปรู้รูปรูปก็เป็นเราไปรู้จิตจิตก็เป็นเรางั้นก่อนจะไปทํานิพพานก่อนทําสติปัฏฐานต้อง ม, มีสัมมาสมาธมิตั้งมั่น สมาธิทำได้สองแบบพวกหนึ่งทำฌานพวกหนึ่พวกเราทําไม่ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือใชสติเนะี่ยรู้ทันจิตที่มันไหลไนปะจิตที่มันหลงไปแบบมันหลงดูหล ง, ล ง, ลงฟังหลงคิดหลงเร่งรู้ทันเลยที่ว่าจิตตั้งมั่นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวของตัวเองแตจิตเป็นตัวของตัวเองรู้กายกายไม่ใช่เรารู้จิตจิตไม่ใช่เราใน ต, ตอนนี้จิตหลงไปทางไหนหลงไปทางใจ รู้ทันว่าจิตหลงทางใจอย่างตอนนี้นะ่ะมันยังหลอยู่ครับมันหลงอยู่มไม่ ม, ม, มีขนาดที่ก่อนตรงเม็ดนี่คือ ข, ขนาดที่รู้ตัวคปับนิดหนึ่งรู้รออกไหมแต่ก็รู้รู้บ่อยรู้ทันความที่มันลงไปต่างๆของจมูกหูใจใจแล้สภาวะน่าจะเกิดนันะ่นคือตัวสมาธิ อาจิตตั้งมั่นนะจิตในขนาดนั้นถ้าส่งตัวตั้งมั่นอยู่ในรูปรู ป, รปไม่ใช่เรารู้จิตจิตไม่ใช่เราไปทางไหนตอนนี้ความคิดเหมือนเดิมนะไปทางใจไปทางใจนี่ไปทาํางานหลายแบบเหลือไปเลยก็ได้ไ้คิดก็ได้ไปเพ่งก็ได้ไปสแสวงหาก็ได้ว่าจะดูอะไรดีทํางานได้หลายอย่างทางใจแตถถ่ถ้าเรารู้ว่ากำลังไหลทางใจขนาดนั้นจิตตั้งมันนะ่นเนี่ยไปทางไหน เดิมดูออกไม่ค่อมีรอยต่ออยู่อนมักนก็ตื่นขึ้นมาชั่วสั้นดังนั้นทําบ่อยๆภาวานั้นเกิดขึ้นมาเพราะเรารู้ทางสภาวะที่ส่งนอกที่ไหลไปไหลก็้าข้างในก็ไหลไป ข, ข, ข, ข, ข้างนอกอัน ท, ที่รู้ว่าไหลไปมันจะตื่นตั้งมัน่นจะตั้งมั่นขึ้นมารู้กายกายไม่ใช่เรารู้จิตผิตไม่ใช่เราแต่รู้ได้จี่หลักธรรมเราเป็นเทคนิคสมาธิ ในที่หลวงพ่อเคยสอนเรื่องนิวรณ์ตั้งแต่สมัยนั้นีแบบครับให้ดูนิวรณ์แล้วก็พอดสัดไปแล้วก็เลยจิตอะไรอย่งเงี้ยได้คือจริงๆถ้ารู้สภาวธรรมตรงปัจจุบันน้ว่าตั้งมั่นขึ้นมาไปทางไหนคิดครับแล้วตอนนี้เลยไปทางไหนเอาเป็นทางใจ ย่อยๆเลยมันเป็นทางใจไม่ทําอะไรช่างมันไม่สําคัญรู้ว่าไปทางใจสําคัญกว่าที่ว่าไปทําอะไรอีกยิ่งเรียนยิ่งเรียนยิ่งง่ายไม่ต้องมาบอกว่าไปเพ่งครับไปคิดครับกำลังเถผลอตัดตอนนี้กำลังไปทางใจรูว่าเปลือกเดียวเลยเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ค่อยไปเท่าไหร่ ไปทางไหนนะตายังกินไม่ไปทางตา้วี่ยไหเดี่ยวแล้วก็ต่อเดียไปทางใจไปทางไหนนะได้หรือแปลกแล้วไม่ห้ามไม่ได้เรียเขารูไปรู้ทันไปเรื่อๆี่ก็ตามรู้นะไม่น่ะไม้เป็นไง เขาไม่ผัดแน่เลยเออเขาไม่งนนหลยคงเส้นคงวา <c oughs> หมายูึงเมนสภาวะที่รู้ขึ้นมานนแล้วเราไม่ได้ทำขึ้นมาแค<ะ>่ทำขึ้นมาไม่ได้<ะ>เป็นภาวะที่รู้กันงแะจิตหลงไปแล้วไม่จะตั้งมั่นขึ้นมาอีกไปทางไหนตอนเนี้ครับ รู้ทันเลยหลุดออกมาหลุดออกไหมไม่ไม่รู้ไม่ออกนะครับเอรู้ทันแล้วมันหลุดออกมาพวกขอมันมันอยู่ได้แวบเดียวถ้าเราหลุดได้บ่อยๆนะต่อไปเราจำสภาวะนี้ได้พอจิตเคลื่อนจากตรงนี้แล้วรู้ทันแล้วว่าหลุดทำไรไปทางเดิมครับได้เคยไปอีกเลย อืมเนี่ยหลุดออกมาครับนะแต่จงใจหลดไม่ได้นะนะมันหลุดออกมาเพราะเรารู้ว่าหลงไปสักหนึ่งนะไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้หลงนะแเราพยายามตื่นความรู้สึกเไว้ไม่ได้นะผิดเลยหลุดออกมาจิตเราปั๊บแป๊บปับแป๊บอย่าเงี้ยอย่ารู้ทันไปด้ลยแล็ดใส่เลยมันตัดใจ ถ้าไม่ได้เราไม่ได้เรียนไม่จะได้เปลี่ยนอารมไปเลยได้ไหมครับได้ไม่ถูกถ้าดูไม่รู้เรื่องแล้วก็มารู้กายไปดูจิตไม่ออกก็มาดูกายหลวปู่สุวัสดิ์กันเล่าไว้ไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนว่าถ้าไม่รู้กายก็รู้จิตไม่รู้จิตก็รู้กายให้มึรู้ไว้อันนี้ รู้กายก็เพื่อจะมารู้จิตใครทันใจแล้วรู้ไหมรู้ไปสบไปส บ, บายๆแล้รู้ทันเขาเขาไหลไปทันใจ ก, ก็รู้ไหลไปทางตาไหลไปทางหูก็ไปรู้ทันไม่ทํำยากยไหมมาจะพู่งปิ้งมาพุ่งสองสมนาทีมาจะพู่ พ็รู้ว่าไปกังใจแล้วก็ไปอยากให้มันออกไาเลออแต่ตัวนี้ก็ไม่อยู่สักทีเออไม่อู่เด็กตั้งใจอยากอยากมันทาให้สร้างภพปัญหานี่ก็เป็นภพเนล้วเป็นกรอบไปเป็นทุกข์ไม่อยากไี่เริ่มเกิดปัญญาแล้วรู้ทันแล้วปัญญาจริงมันง่ายไม่ทำอะไรเลยแค่รู้ทัน คิดนีไปทางตาหรือว่านีไปทางใจนะรู้ไหมทำไรไหมเพ่งกายเออเพ่งรู้ไมเพ่งมันเพ่งเหมือนเม่ว่ารู้ถามเมื่อกี้เพ่งใช่เออไไร้ัสังเก ต, เงตัเอคุณสั่งทำไงคิดนไม่ได้ทำไงคิดถงบอก ว, วอืม นึกทนั้นในลมทางใจกว่าใ mm hmm. นมแบบแบบแบบ mm hmm. ให้นันรู้ไปเรื่อยรู้สบายสบาย น, นี้เป็นธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาที่อายต น, นั้นปพักจิตไปรู้อารมณ์ทางตารู้ไปทางหูก็รู้ไปทางใจก็รู้ไปทางตาแล้วกิเลสเกิดก็รู้ ทางใจกิเลสเกิดก็รู้เป็นพยาธิ์น้ำแบบพระให้ทั้งไหนเนะัยใจคนระับไม่หลุดเลยใช่หลุดนะครับไม่ต้องทำอะไรหรอกถ้าไม่ไปก่อไว้แล้วมันก็หลุดแล้วอย่างนี้ไม่ถือว่ามันก็หลุดล <c oughs> ทำไงจะหลุด น้าวิ่งว r ่งไหนไปไม่ยอมหลุดุกที่ทำอ่างนี้แลหลุดแล้วอย่าไปจับนลยอย่าหยากปล่อยหยาบปล่อยไม่หลุดหรอสรุปนะทำเร่งเร่งทสบายสบายรู้ทันสภาวะอะไรเงี้ยรูกายรู้ใจ อตอนไหนรู้ใจได้ก็รู้ไปเลยตอนไหนรู้ใจรู้จิตไม่ได้รู้การร่างกายเคลื่อนไหวรู้เคลื่อนไหวตอนไหนมัว่วซั่วไม่รู้เรื่องแล้ว ท, สทาสมถะถ้าทำสมถะไม่เป็นอาจจะหาสือ่อธรรมะมาอ่านให้เป็นสบายใจอะไรก็ได้ให้เกิดออกสบายใจจิต ใ, ใจสบายรู้สบายแนละ้วเพื่อมาอูจิตต่อ ดูความสบายอยู่แล้วเกิดถล่ ม, ม ล, ลงไปลงไปเจ้าะอยู่ที่จิตใจรู้ทันว่าหลงไปทางใจอีกแล้วถล่มลงไปอีกแล้วมันก็จะถอยออกมาสักว่ารู้ไม่ถล่ ม, มสักว่ารู้พอไปดูไม่ถล่มอไปก็สักว่าดูตึกไปเรื่อยๆสักว่าดูสักว่ารู้ไปมาเป็นตัวตนจะไม่มีที่พระพุทธเจ้าสอนพระพารีา์ ในการใดเมื่อถ้าเห็นจะเป็นสัพท์ว่าเห็นเมื่อฟังจะเป็นสัพว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นสัพท์ว่าทราบทราบมีอยู่ทางใจในการนั้นท่านยมไม่มีเป็นตัวตนแต่ไม่มีอยู่แล้วถ้าไม่สัก์ว่านะจะจงใจทำนันก็เป็นตัวตนมีตัวมีตนเพราะฉะนั้นอยากจะอยากทำทำแล้วไหมใช่ทำทราบไม่อยากแก้แล้ว มันอยากทำเรื่องมอนเรา ร, รู้ทันแล้าว่ามันอยากทำไม่ต้องไปแก้มันอยากแก้มันยิ่งทำใหญ่ทำเล่นๆนะไม้ทำไรเพลงไม่อยางไปทำงานง ท, ที่ไหนเนี่ยอยู่เข้าไปหลบอยู่ข้าไในคิดมั่วๆแห่นอะไรหนึ่งมันอ่ะขออยู่เด่นมากหรืองงมาก เหมือนหร้ยังไหตอนนี้ดูกลับไปยังไม่แน่ใจเขาออกจากหลวงพ่อแล้วเ ม, มื่อ ก, กี้เราลงไปอย่างเราลงไปควานเรารู้ว่าลงไปควานคะรับองอะรเราอยากกลอยรู้ว่าอยากกล<ะ>อยอย่าไปแก้แคแต่รู้ทันแค่รู้ทันแล้วมันหลุดเองนะภาวะเองความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ็นภาวะในจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นสัมมาสมาธิ ตั้งมั่นที่จะเป็นตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราพอรู้กายกายก็ไม่ใช่เรารู้จิตจิตไม่ใช่เราแล้วเราก็มีจิต ท, ที่ททเป็นสัมมาสมาธิจิตไหลไปรู้ทันแล้ไหลพอรู้ทันแล้วไหลจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นรู้ว่ารมก็จะรู้อย่างสักว่ารู้เอาเป็นตัวตนจะไม่มี ถ lady, ้าไม่ต sure, yes. huh? okay. ั้งมากนจะรู้แล้วก็ยินเข้าไปรู้แล้วยินรู้แล้วไหลเข้าไป้าเป็นตัวตนขึ้นมาดีขึ้นเยอะไหมเข่งน้อยลงเห็นคนหนึ่งเขาไปอยู่ญี่ปุ่นเขาพร้อมๆนะอาหากทีลยเจว่ารังส์ต แค่มนนอีฟวตักับโซนี้เสียดค่าทุกๆองเของกินมันแพงหมดอร่อยนครับแต่งกินไม่ใจแบบบาลเราะ่ปบานเป็นเก็รูไปเรื่อยๆรู้ใจรู้ใจมันเบื่อ